ผู้ทั่วสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของการที่ท่านจะได้มาเสดธรรมนะคะคือฟังธรรมคาสอนของพระศาสดาด้วยการที่นํามามาอธิบายในคําถามต่างๆที่มีผู้ส่งเข้ามาถามผู้ที่ตอบคาถามของเราก็คือผู้โดยการหลักสูตรอีกเร้นว่าป่าดอนหายโุดอนธานีที่นําท่านทั้งหลายนี้ได้ปฏิบัติธรรมก่อนที่จะเข้าสู่การฟังธรรมด้วยนะคะ ก็เท่ากับว่าใช้เวลาที่ว่าไม่ว่างจะไปหลีกเร้นกันสักทีเนี่ยให้เสมือนกับว่าได้ก้าวเข้าไปสู่แดนแห่งการหลีกเร้นบ้างแล้วแล้วเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่ไปพบกับท่านเลยนะคะตั้งตัวให้ดีที่ฉันกำลังจะพาท่านทั้งหลายไปพบกับพระมหาภาบูรณ์อภิปุนโนวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีกราบน้ัมการค่ทั้นคะเชิญพานเวลาที่เรามาฟังทำก็ฝึกปฏิบัติไปด้วย่เพราะว่า การฟังเข้าผ่านทางหูจะเป็นหูซ้ายหรือหูขวาก็ตามเนี่ยบางส่วนบางทีมันก็ไหลออกไปหูอีกข้างหนึ่งบางส่วนบางข้อก็จำอยู่ได้ในสมองแต่ส่วนที่จำอยู่ในสมองเราจะเอาเข้าสู่ใจได้เราจึงจะต้องมีสติตั้งเอาไว้แต่สตินั้นไม่ได้อยู่ในสมองไม่ได้อยู่ในตาราแต่ว่าอยู่ในใจใจของเราที่มาระลึกรู้รับทราบถึงลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกนี่แหละ ใจนี่แหะที่ท่เาเบอรว่าเมื่อเรามาระลึกถึงนึกถึงลมหายใจเมื่อไหร่เดีวใจนี้ชื่อว่าเป็นใจที่มีการระลึกชอบความว่าระลึกนั้นก็คือสตินั่นเองมีสัมมาสตินั่นเองสติแปลว่าการระลึกได้การที่เรามาระลึกถึงลมหายใจเขาก็เรียกว่าอาณาปานาสติอาณาปานาสติที่เรามาตั้งเอาไว้เดี๋ยมันอยู่ในกายของเราเนี่แหละจากธาตุลมที่ เรารับรู้ถึงลมหายใจที่เข้ามาในกายของเราในการรับรู้ตรงนี้เรื่องของกายเนี่ยพระบริจาเขาใช้คำว่าเป็นกายานุปัสนาสติปฐานแต่การสติปทานนี่ก็คือฐานที่ตั้งให้เกิดสติเราใช้กายเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติได้โดยการมาดูที่ลมหายใจของเราเรารับรู้ถึงลมหายใจที่ไหนเอาจิตของเราตั้งไว้ที่ตรงนั้นชื่อว่าเป็นการใช้กาย เป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติและในขณะที่เรามารู้ดูลมหายใจของเราอยู่นี้มารับรู้ถึงสัมผัสของลมที่เกิดขึ้นสัมผัสนั่นก็คือความรู้สึกนั่นเองเราจะรู้สึกความรู้สึกนี้อาจจะเบาบ้างอาจจะชัดเจนบ้างแรงบ้างสั้นบ้างยาวบ้างตามจังหวะของแต่ละวันแต่ตอนเช้าๆลมหายใจอาจจะยาวแต่ตอนหลังกินข้าวใหม่ๆลมหายใจอาจจะสั้น การที่เรารับรู้ถึงความรู้สึกที่เป็นสัมปัตที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเวทนาเวทนาแปลว่าความรู้สึกเราใช้ความรู้สึกเนียเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติก็ได้แบบรบพุทเจ้าจะใช้ศัพท์ว่าเวทนานุปัสนาสติปฐานความรู้สึกที่เราเกิดขึ้นอยู่นี้เวลาที่จิตของเราเนี่ยเข้าไปรับรู้ความรู้สึกเนี้ยไอ้จิตที่ไปรับรู้ความรู้สึกเนี่ยมันก็เป็นจิตที่ มีที่ตั้งเป็นจิต ท, ที่มีสติก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ใช้จิตเนี่ยในการที่จะเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงสับที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือจิตตานุปัสสนาสติปฐานนั่นคือความที่จิตเราไม่ได้ไปหลงลืมไปในเรื่องอื่นแต่ว่าจําระลึกถึงลมหายใจได้จิตนี้ชื่อว่ามีสติเป็นจิตตานุปัสสนาสติปฐานเป็นการใช้จิตเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึง แลในขณะที่เรามาลึกถึงลงมหายใจของเราอยู่อย่างนี้แต่บาที่เราได้ยินเสียงใดเสียงหนึ่งบางที่เรามีความรู้สึกในกายอย่างใดอย่างหนึ่งบางที่เรามีความคิดนึกในสมองในใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งสิ่งที่เราคิดเรารู้สึกเราได้ยินต่างๆเหล่านี้แต่เราเห็นความที่มันเป็นแค่เหตุปัจจัยเกิดขึ้นอาศัยสิ่งนั้นสิ่ง น, น, งนี้ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนแต่เป็นอนัตตาเป็นของที่เป็นเหตุตามปัจจัยมีความไม่ทิ้งเป็นธรรมดามีความเกิดได้ดับได้ จางกลายไปได้เสริมไปได้ลักษณะการเห็นอยู่แบบนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เห็นธรรมะการที่เราไปคิดในเรื่องอดีตอย่างได้อย่างหนึ่งโดยการที่เราเห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตนอันนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีสติอยู่แต่มีสติไปตามความคิดนั่นแหละแต่เป็นความคิดชนิดที่เราเห็นความไม่เที่ยงของมันชื่อว่าเป็นผู้ที่ใช้ธรรมะในการที่เราเห็นใจความไม่เที่ยงความเป็นอนัตตนั่นแหละเป็นธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานแต่ใช้ การที่เราเห็นในความคิดอดีนาคตก็ตามเห็นแบบนี้แล้วชื่อว่าใช้ธรรมะเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสติจิตของเรานั้นจะไม่ได้หลงลืมไปในเรื่องอื่นใดๆการที่ไม่หลงลืมไปในเรื่องอื่นใดแต่มีธรรมะอยู่ในใจบ้างมีความรู้สึกในเวทนาเรื่องของความรู้สึกของลมบ้างเห็นถึงความที่จิตมันมาตั้งอยู่รับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างแต่ก็ไม่ ลงลืมลมหายใจแต่ทั้งหมดนี้ก็คือให้เรามีสติอยู่กับลมหายใจนั่นเองเวลาที่เราตั้งสติขึ้นแบบนี้จะเป็นน า, นาปาณะสติสามารถทําสติปัฏฐานทั้งสีให้เกิดขึ้นได้สติปัฏฐานทั้ง4ีที่เกิดขึ้นนี้จะทําให้จิตใจของเรานั้นมีที่ตั้งอยู่ได้รับการกุ้มครองอยู่รักษาอยู่พระบรุญญาเปรียบเทียบเหมือนกับอาคารอาจจะเป็นเรือนยอดเป็นเจดีย์ที่มีประตูเข้ามาจากทั้งสีด้าน เหนือใต้ออกตกจะเข้ามาจากทางไหนก็ถือว่าเข้ามูสุใจกลางของอาการทั้งสิน้นเราจะรับรู้ลมจากความที่มันเป็นธาตุลมหรือจากความที่มันเป็นความรู้สึกหรือผู้ที่เข้าไปรู้ลมก็ตามถือว่าเรามีสติตั้งขึ้นทังสิน้นสตินี้จะทําให้เราสามารถฟังธรรมะเข้าใจได้ดีมากขึ้นเป็นการที่นําธรรมะจากหูเข้ามาถึงสมองแล้วเข้าไปสู่ใจของเราได้ฝึกซ้อมอยู่เรื่อยๆ จะทความละเอียดความลึกซึ้งความรอบครอบในธรรมะให้เกิดขึ้นได้ น, นั่นเองอจรย์บอลสาธุค่ะท่านาจค่ ะ, ะก่อนที่จะไปถึงเรื่องคําถามเราที่ท่นขอถามสั้นๆนะคะว่าอจากการที่ท่านลกล่าวเมื่อวานนี้ว่ามิสติเพื่อเหนือโลกคือควบคุมโลกแล้วโลกนั่นหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้เมื่อสักครู่ฟังเรื่องสติปัฏฐานท่านพูดถึงว่าอาจจะเป็นการทําความรู้อยู่กับ ธรรมานุปัสนาสติปฐานคืออ น, นิจจังทุกขังนาตา น, นะคะจึงอยากทราบว่าภาษาทั้งหลายที่เกิดจากตาหูจมูกเล้นกายใจเนี่ยเราสามารถคือเหมือนทุกอย่างที่เราที่เราเขาเรียกอะไรคะรรเรารับรู้ได้แล้วก็มีความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นในโลกใบเนี้ยในความเป็นเราเนี่ยนะคะสามารถที่จะพิจารณาด้วยธรรมานุปัสนาสติปทานคืออ น, นิจจังทุกขังนาต่าได้ทุกเรื่องไหมคะ่ะถูกต้อง ถูกต้องดังนั้นนะคะสมมุติเกิดมีการสื่อสารกันอย่างเงี้ยคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้เราสามารถมองเห็นเป็นอนิจจังหรือไม่ก็ทุกขังหรือไม่ก็อนัตตาได้ทั้งนั้นถูกต้องถูกต้องถ้าเรามองเป็นอย่างนี้ตลอดเท่ากับว่าเรากําลังปฏิบัติธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานไหมคะถูกต้องถูกต้องนะคะสาธุค่ะเป็นวัตถุพจน์ด้วยนะคุณยมติวอ๋เหรอคะพระพุทธเ้าบออย่างนี้บอกว่า บุคคลที่เห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะที่มันไม่เที่ยงเนี่ยว่าไม่เที่ยงนั่นะคือคือมันมาแล้วว่ามันไม่เที่ยงนี่เป็นพุทธพจน์อยู่แล้วว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไม่เที่ยงบุคคลที่เห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ว่าไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงเนี่ยไอความเห็นของคุณตรงเนี้ยเป็นสัมมาทิฏฐิคนที่เห็นแค่นี้นะมีความเชื่อมีจิตน้อมไปอย่างเงี้ยชี้ว่าอย่งลงสู่สัมมาตาณิยามนั่นก็ไม่ถึงระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้อง คือ <C ür> ตอนแรกเราอาจจะคือมันไม่เที่ยงอยู่แล้วนะแต่ถ้าเราไปเห็นว่ามันเป็นเที่ยงมันเป็นแบบอะไรที่เป็นตัวตนอะไรเงี้ยเรายัางไม่ได้อยู่ในระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องค่ะเ <C han> พราะฉะนั้นเราเห็นความไม่เที่ยงแน่นอนทุกแล้วก็อนนาตาด้วยเนีน่นะสามอย่างเนี่ยอันนี้ชื่อว่าผู้ที่ยังลงสู่ระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้อง <C han> ล่วงพนผผ้นปุตุชนปุ่ม <C han> ในบุคคลแบบนี้ท่านคะถ้าท่านทั้งหลายที่ฟังรายการนี้อยู่อยากจะเป็นผู้ที่ล่วงพ้น ถุถุชนภูมิก็เท่ากับว่ามองโลกให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดเวลาใช่นะคะอย่าเผลินะอย่าเผลินะค่ะท่านคะทีนี้มาถึงคำถามของคุณหมอฟันนะคะคุณทันตแพทย์หญิงพิมลค่ะเกี่ยวกับเรื่องของปฏิจจสมุปบาทถามมาว่าจากพุทธพจน์ที่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปหนึ่งการมีและไม่มีเป็นอย่างไรคะสองทำอย่างไรจึงไม่มีหรือดับไปคะสามอาวิชาคือไม่รู้ในอะไรและวิชาที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แก่นหลักคืออะไรคะสดิฉันว่าไปทีละข้ อ, อที่ทาน อ, นานอาธิบายดีคร <laughs> ับเพราะว่าท่านเองเนี่ยเห็นคําถามอยู่ละ จะได้ประหยัดเวลาค่ ะ, อะเอาคำว่าปฏิจจสมุปาต์ ค, คำนี้เป็นภาษาบาลีพระพุทธเจ้าเราพูดภาษาบาลีอยู่ละหมายถึงคําที่อาศัยกันและกันแล้วก็เกิดขึ้นภาษาอังกฤษเขาชื่อว่า dependent origination อาศัยกันและกันเกิดขึ้นมันยังไงในสมการพระพุทธเจ้าประกาศตัวแปลเลยว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเอาแค่นี้ก่อนเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นอย่างสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นใช่ปะ เอาแค่ชุด <Okay. S 1> แรกก่อนของความมีความเกิดคำถามของคุณพิมลก็คือว่ า, อามันมีเนี่ยมันอะไรมีการมีการไม่มีเป็นอย่างไร <Okay. S 1> นะซึ่งถ้าคนที่รู้ภาษาบาลีไปดูตรงนี้เนี่ยนะสิ่งนี้มีนี่มีตัวที่หนึ่งนะสิ่งนี้ย่อมมีไอ้มีตัวที่สองเนี่ยนะมีหนึ่งก็มีสองเนี่ยไม่ใช่มีเดียวกันเนี่ยภาษาผู้พูดภาษาไทยนะ <okay. S 2> ไม่ใช่พูดภาษาภาษาอังกฤษนะมีที่หนึ่งว่าสิ่งนี้มีกับมีที่สองว่าสิ่งนี้มีเนี่ย เป็นคนละตัวกันเป็นคนละตัวคือแปลมันมาแล้วมันดูเหมือนกันแปนเลยภาษาไทยแต่ตรง <Okay. S 1> ภาษาบาลีเขาเนี่ยเป็นคําคนละเกรดคนละเกรดหมายความว่าอย่างไรนะหมายความว่า <Okay. S 1> มีแรกเนี่ยไม่ใช่เป็นกริยาแต่เป็นตัวที่ในทางภาษาบาลีมันจะมีคําที่มัน uh, participle นะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือว่าคุณเป็นเอารูป verb เนี่ยแหละแต่มาทําเป็นคําขยายเข้า <Okay. S 1> ใจไหมภาษาไทยมันไม่มีคํานี้ S <S ก็คือมันมันไม่ใช่กิริยาแต่มีตัวหลังเนี่ยเป็นกิริยาก็พูดไปก็เอายี้ดีกว่าว่าสิ่งนี้กับสิ่งนี้เนี่ยสิ่งนี้แรกที่มีใช่ไหมกับสิ่งนี้หลังที่มีเนี่ยคือตัวเดียวกันตอนแรกเนี่ยนะอนุมาเข้าใจคิดว่าเขาต้องแปลปิดแน่นอนคิดว่ามันต้องสิ่งนี้แล้วก็สิ่งนั้นเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนั้นย่อมมีตอนแรกอนุมากคิดว่ า, างี้เพราะว่ามันต้องเป็นสองสิ่งอะแล้วตัวอย่างที่พระพุทธเจ้ายกให้เช่นว่าเมื่อมีภาษาก็ต้องมีเวทนา เอาภาษาเวทนามันกนละอย่างกันทำไมตรงนี้มาบอกว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีคือสิ่งนี้แรกใช่ไหมกับสิ่งนี้ที่สองเนี่ยแล้วก็มีแรกกับมีที่2เนี่ยมันหมายถึงเวทนาเวทนาที่คืออันแรกนะมีเวทนาแล้วก็มีขอไปมีภาษะแล้วก็มีเวทนามีภาษานี่คือมีอันแรกมีเวทนานี่คือมีอันที่สองแต่ถ้ามาดูในหลักในภาษาบาลีแล้วเนี่ยจะบว่า เป็นอนเดียวกันเพราะฉะนั้นในคําถามที่คุณพิ่มนบอกว่ามันมีกับไม่มีเนี่ยมันหมายถึงยังไงมีเนี่ยคือมันถึงอาศัยกันเกิดขึ้นถ้าไม่มีอันหนึ่งเนี่ยอีกอันหนึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้แต่ตัวอย่าง <Okay. S 1> ที่พระพุทเจ้าเคยยกก็คือเปรียบเทียบเหมือนกับแสงที่มากระทบฝาบ้านเอ า, อางี้เราอาจจะง่ายๆกว่านั้นเช่นว่าถ้าเราอยู่ในอวกาศอยู่ในอวกาศมืดหมดเลยนะแล้วมีแต่ตา <Okay. S 1> ของเราอย่างเงี้น ะ, ะถ้ามีวัตถุ อยู่ข้างหน้าของเราอาจจะเป็นยานอาวกาศหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งถ้ามีแสงมากระทบ แ, แสงเนี่ยก็จะทำให้เรารู้ได้ว่าเออมียานอาวกาศอยู่ข้างหน้าของเราใช่ไหมแต่ถ้า <Okay. S 1> บอกว่าด้วยจากความมืดมิดหมดเลยเนี่ยคือถ้ามันไม่มีแสงแไม่มีแสงมากระทบที่ตัวยานอาวกาศเนี่ยเราก็จะไม่เห็นยานอาวกาศที่มาอยู่ข้างหน้าของเราเราก็จะไม่รู้หรอกว่ายานอาวกาศนั้นมันมีหรือไม่มีอันนี้คุณโยมติ๋วทันนะ ว่ายานอวกาศนี่มันจะมีหรือไม่มีเราไม่รู้เพราะว่าแสงมันไม่มีมันก็มืนหมดใช่ไหมหรือถ้าบอกว่ามันไม่มียานอวกาศไม่มียานอวกาศแต่มีแสงแต่มีแสงนะอาอมันมีแสงแต่ไม่มียานอวกาศเราจะไปเห็นลําแสงได้ไงเราก็จะไม่เห็นลําแสงก็จะมืดมืดไปหมดต่อให้มียานอวกาศแต่ไม่มีแสงยานอวกาศก็จะไม่ปรากฏต่อให้มีแสงแต่ถ้าไม่มียานอวกาศแสงก็จะไม่ปรากฏโอเคนะเพราะฉะนั้นแสงและยานอวกาศเนี่ยจึงเกิดขึ้นพร้อมกัน อาศัยด้วยกันโอเคอาศัยด้วยกันนะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นสิ่งเดียวกันสิ่งนี้และสิ่งนี้หนึ่งเพราะนั้นสัพท์ตรงนี้คือหมายถึงว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันแต่ว่าทําไมเราดูว่ามันเป็นคนละสิ่งอะยานอวังก็สิ่งหนึ่งแสงก็สิ่งหนึ่งใช่ไหมแต่เวลาที่มันจะเกิดขึ้นตรงนี้แหละที่พระเจ้าจึงบอกว่าก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นไงความมีกับความเกิดนี่ก็มาพร้อมกันตรงนี้อันนี้คือในข้อที่1นะ เพราะนั้นมีนี่คือหมายถึงว่ามันต้องอาศัยกันอย่างนี้อยู่ด้วยกันเองตัวเดียวๆโดดๆไม่ได้นี่คืออุปมาที่หนึ่งอุปมาที่สองที่อาจจะทำให้เข้าใจมากขึ้นนี่เป็นของท่านพระสารีบุตรที่เอาไม้อ้อสองลมาพิงกันเอาไม้อ้อสองลมาพิงกันแต่ถ้าอันหนึ่งล้มอันหนึ่งจะอยู่ไม่ได้มันต้องมีสองอันมาพิงกันอาจจะนึกถึงตอนที่เราเรียน ลูกเสือหรือเนนารีก็ได้มั้งคุณยมติวนาะที่ว่าเราจะต้องเอาไม้พลองมาขัดขัดกันเพื่อทําเป็นเป็นกระโจมอะไรสักอย่างออะไรย่างหนึ่งเนี่ยนึกนึกออกไหมเอาไม้พลองมาขัดกันเนี่ยนะคือถ้ามีถ้ามันจะทําได้ก็ต้องสามอันเป็นอย่างน้อยจากนี้น้อยลงไปอีกก็ต้องมีสองอันจากสองอันต้องขัดกันถ้าอันแดอัหนึ่งหลุดไปอันหนึ่งก็จะล้มไปด้วยอันนี้คือความที่มันมีแตความที่มันไม่มีก็คือถ้าอหนึ่งล้มอันหนึ่งก็จะอยู่ไม่ได้ค่ะ ก็เท่ากับว่าความหมายเนี้ยต้องแปลว่าเป็นธรรมที่อาศัยกันและการเกิดขึ้น ม, มีกับกับมีเนี้ยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคทำอย่างไรจึงไม่มีหรือดับไปค ะ, ะวิธีการที่จะทำให้ไม่มีหรือดับไปได้ก็คือว่าเราต้องทำตามมรรคแปดมรรคแปดจะเป็นหนทางที่ทำให้ถึงความดับไม่เหลือของไอเจ้ากระบวนการตรงนี้ การที่จะไม่มีคือสมมุติว่าเราจะอ า, อาศัยว่าจะเอาสิ่งนี้ออกไปเราจะละวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้แต่จะให้มันดับไปได้ต้องเดินตามมรรคแปโอเคนะอันนี้คือในข้อที่2ค่ะข้อที่3เพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลายใช่ไหมคะอ่าคำว่าอาวิชชา<อ>คือ อ, อะไระใช่ไหม อ, อวิชชาคือความที่ไม่รู้ในทุกไม่รู้ในเหตุเกิดทุก ไม่รู้ในความดับไม่เหลือของทุกข์แล้วก็ไม่รู้ในทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์คือไม่รู้ในอริยสัจ ส, สีค่ะที น, นี้ถ้าเราจะมาวิเคราะห์ให้ลึกลงไปเอาศูนย์กัำว่อาอวิชากันเนี่ยนะค่ะก็คือว่าความที่ไม่รู้ในอริยสัจ ส, สีนี้ก็หนึ่งอย่างความที่เราไม่รู้ว่าเราไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งนี้ก็ได้แต่ความที่เราไม่รู้ว่าเราไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้คืออวิชชาเช่นว่ามีภาษามากระทบตูม้ม หมีภาษามากระทบมันก็ต้องมีเวทนาใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่ามันไม่ต้องมีเวทนาก็ได้ไอความไม่รู้ตรงนี้คือกับวิชาเนี่ยทําให้เกิดเวทนาขึ้นบุ้มฝังอีกครั้งหนึ่งน ะ, ะสมมติมีเสียงมากระทบหูเป็นดนตรีที่เราชอบอ่ะอยกตัวอย่างเช่นเป็นดนตรีที่เราชอบมากระทบหูนิ่งๆๆมาละเป็นภาษาใช่ไหมถ้าบอกว่าจิตนั้นเนี่ยยังมีความไม่รู้ว่ะไอฉันไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งนั้นก็ได้ ก็จะไปปรุงแต่งตามดนตรีที่มาใช่ไหมจิตนั้นก็จะไปปรุงแต่งว่าโอ้ดนตรีไพเราะเหลือเกินฉนชอบก็จะมีสุขเบญทนาเกิดขึ้นนี่คืออวิชาเกิดขึ้นละคือไม่รู้ว่าไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งนั้นก็ได้ความไม่รู้เนี่ยจึงนัานไม่เกิดเป็นเบทนาเกิดขึ้นโอเคน ะ, คะหรือแม้แต่เรื่องที่ว่ า, าถ้ามีความยึดถือกุปทานอย่างนี้ ถ้ยึดในสิ่งนี้ว่ามันต้องเป็นอย่างเนี้ยเป็นต้นนะเช่นคนทําคนทั่วไปมันต้องเป็นอย่างนี้ยมันต้องเดินข้ามสมุนทางมาลายนะแต่มันเดินไม่เดินข้ามทางมาลายใช่ปะโดยความยึดถือว่าตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็เกิดสภาวะใดสภาวะหนึ่งขึ้นมาว่ามันต้องไม่เป็นอย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนั้นไอ้ความที่เป็นสภาวะเนี่ยคือพบไอ้ความที่เราไปยึดถือว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอย่างนั้นคืออุปาทานถ้าเราไม่ต้องไปปรุงแต่งอย่างนั้นก็ได้เนี่ยวาเราไม่รู้ตรงเนี้ยก็จะทําให้เกิด ความเป็นสภาวะขึ้นมามีเรื่องมีราวขึ้นมาก็จะเป็นอย่างนั้นไปค่ะและในข้อที่สามที่คุณพิมลถามว่าแล้ววิชาที่บริจาคแล้ววิชาคืออะไรอ่าวิชาที่ตรัสรู้แก่นนี้คืออะไรก็คือมีความรู้ว่าเอ้ยฉันไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งนั้นก็ได้นะฉันไม่ต้องไปแบบว่ามีภาษาปุ๊บทําไมฉันจะต้องมีเวทนาฉันไม่ต้องมีก็ได้มีภาษาปุ๊บเนี่ยมีเสียงมากระทบหูโอ้ยเป็นเสียงด่าเสียงว่า โอยมั น, นหรือดนตรีที่เราไม่ชอบอย่างเงี้ยน ะ, ะมากระทบหูติ้งติงต้งติงขึ้นมาอย่างเงี้ยปี๊ดปๆปีปขึ้นมาเนี่ยถ้าเรามีวิชาคือความรู้วอะเสียงมันก็เสียงธรรมดานอะมันไม่ใช่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปอะไรกับมันนั้ะมันก็เป็นเสียงที่มันมาทั่วไปเราก็ไม่ต้องไปมีความรู้สึกว่าชอบหรือว่าไม่ชอบไอความรู้สึกคือเบทนาเนี่ยก็ดับไปนี่คือมีอะไรเพราะมีวิชาคือความรู้อะไรรู้ว่าฉันไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิงนั้นก็ได้ มันก็จะสบายตรงนี้นี่คือแกนหลักนะแกนหลักเพราะฉะนั้นถ้าผมว่าเราพูดตามตัวบทวิชาก็คือไม่รู้ในอริยสัจสวิชาก็คือรู้ในอริยสัจสพอไม่รู้ในอริยสัจสีมันก็ต้องไปปรุงแต่งตามให้เกิดความทุกข์ <qu ram S 2> ตามกระบวนการแต่ถ้ารู้ในอริยสัจสีมันก็จะไม่ไปปรุงแต่งในความทุกข์ความทุกข์ก็จ ก, กระดับไป <Simple. S 1> นี่ะอันนี้คือในข้อที่3ค่ะก็เหมือนกับว่าคําตอบนี่ก็มีอยู่ในตัวพระสูตร คือพุทธพจน์ ท, ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้แล้วเพราะว่าในชุดของอวิชชาใช่ไหมคะมท่านก็บอกว่าเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารทั้งหลายใช่ถูกคะดังนั้นท่านก็จึงบอกว่าวิชาก็คือการที่เราไม่มีสังขารไม่ปรุงแต่งอันนี้หคะถูกต้องนะคะถูกต้องออเพราะอาวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะฉะนั้นพออวิชชาจะดับได้ก็ต้องวิชาเกิดวิชาเกิดจึง สังขารดับอย่างนี้นะค่ะ เ, เดี๋ยวดิฉันจะกลับมาที่นี่อีกทีนึงนะคะแต่ว่าจะไปตามคําถามของคุณหมอนี่ก่อนได้วิญญาณในวงจรปฏิจจสมุปบาทคือปฏิสนธิวิญญาณหรือวิญญาณที่รับรู้อารมณ์คะอ่าเอาเอาก่อนที่เราจมาจะไปตอบคําถามเรื่องวิญญาณนะขอพูดเรื่องขอ ง, ขอ ง, ของวคำว่าวงจรซะ ก, ก่อนนะค่ะคําว่าวงจรปฏิเจสมุปบาทเนี่ยไม่ใช่พุทธผลนะคือพระพรุทธเจ้าไม่ได้พูดคำว่าวงจรนะค่ะคือวงจรไม่ใช่ เพราะว่าเรื่องปริยัตสมุบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเป็นวงเป็นโซ่เป็นอะไรงี้ไม่ใช่ว่าเป็นเป็นสายอ่ะไม่ใช่เป็นสายแต่เป็นคู่เวลาเราวิเคราะห์เราต้องวิเคราะห์เป็นคู่เพราะว่าถ้าเราวิเคราะห์เป็นสายมันจะพันกันมันจะแบบมึนๆนิดนึงบางคำตอบมันจะคําตอบไม่ได้แต่เราไปทีละคู่ทีละคู่แล้วดับไปทีละคู่แล้วดับไปอ่ะทีนี้ที่คุณทุกคนถามก็คือว่าคำว่าวิญญาณในคู่เนี้ยที่มันอาศัยกับอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเลยนะนะ ซึ่งมัน <Okay. S 1> จะต้องอาศัยน้ํารูปหรือว่าอาศัยสังขากรก็แล้วแต่นี้มันจะเกิดขึ้นเนี่ยถามว่าวิญญาณเนี่ยคือปฏิสนธิวิญญาณหรือวิญญาณที่ไปรับรู้อารมณ์แต <Okay. S 1> ่ทีนี้คําตอบของคําถามนี้ก็ทั้งสองอย่างถูกต้องเป็นวิญญาณที่เป็นปฏิสนธิวิญญาณด้วยและเป็นวิญญาณที่ไปรับรู้อารมณ์ด้วยทั้งสอง <Okay. S 1> อย่าง ค่ะค่วิญญาณที่ไปรับรู้อารมณ์ที่ฉันเข้าใจนะคะปฏิสนธิวิญญาณนี่หมายถึงเวลามนุษย์จะเกิดแล้วต้องมีวิญญาณเข้าไปงั้นหรือไงคะจะใช้การอธิบายงั้นมันจะไม่ถูกคุณยมติวคือหมายถึงว่าอะไรที่มันจะมายึดถือคำว่าปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยหมายถึงสิ่งที่จะมายึดถือกายนี้อย่างเช่นว่าแม่อยู่กับพ่อใช่ไหมค่ะแล้วก็มีประจำเดือนเนี่ยก็จะมีเริ่มมีลูกใช่ไหมจะมีลูกตั้งอยู่ในคันภ์เนี่ย อะไรสักอย่างในหนึ่งสัตว์ที่จะมายึดถือว่าโอน เ, นเนี่ยเป็นไข่เนี่ยเป็นตัวฉันเนี่ยอันนี้คือปฏิสนธิวิญญาณที่ที่คุณพี่มลหมายถึงในที่นี้นะคะ่ะถ้าเช่นนั้นปฏิสนธิวิญญาณกับวิญญาณที่รับรู้อารมณ์เหมือนกันไหมคะท่านเหมือนกั น, เ ห, น, กนเหมือนกันนะคะจะ อ, อธิบายให้แยกเห็นได้ชัดว่าในความเข้าใจหากหมายถึงว่าเป็นวิญญาณที่เข้าไปยึด ยึดอะไรนะคะเมื่สครู่ที่ว่าคุณพ่อคุณแม่มีความสัมพันธ์กันอยึดกายที่มันจะเป็นก้อนเนื้อก้อนเลือดอยู่ตอนแรกเนี่นะที่มันเป็นก้อนเลือดเนี่ยเป็นตัวของมันอันนี้เป็นพุทธพจน์เลยนะคะท่านผู้ฟังพระพุทโธได้ตรัสไว้ถึงกําเนิดกุมารหรือว่าการเกิดของมนุษย์อย่าง<ช>ละเอียดละอ่อทีเดียวเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะส่วนวิญญาณที่รับรู้อารมณ์ ก็คือในทุกๆการที่เราจะไปรู้อะไรก็แล้วแต่แปล ว, ว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นแล้วใช่ใช่วิญญาณจึงเป็นเป็นนามหรือว่าเป็นปินกิริยาเป็นความสามารถไปรู้หรือว่าเป็นตัวที่ข้าไปรู้นะเออเป็นเป็นกิริยาวิญญาเนี่ย น, ออนิยามตัวนิยามนะโดยนิยามก็คือกิริยาที่ไปรับรู้ได้ในสิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่าวิญญาณรับรู้ด้อะไร รับรู้เสียงผ่านทางหูรับรู้รูปผ่านต่างๆเนี่ยตรงนี้คือวิญญาณในอารมณ์ต่างๆมาถึงตรงนี้ก็เลยมีปัญหาอีกนะคะทาา่านคะปัญหาก็คือว่าวิญญาณที่อยู่ในข้อศีทั้งหมดที่ท่านบอกว่ามีอยู่เนี่ยนะคะเป็นวิญญาณเดียวกับที่คนส่วนใหญ่เข้าใจไหมคะว่าวิญญาณแม่หน้าอารวาสเอ่อคนคนไทยบางทีใช้ความหมายที่มันกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปนะคื อ, อ, อวิญ ญ, ญาณเนี่ย ในภาษาบาลีเป็นคําทั้งพ้องรูปกับพ้องเสียงในภาษาไทยแต่ภาษาไทยใช้ใช้ไปในความหมายอื่นวิญญาณที่พระพุทธเจ้าใช้เนี่ยคือในการรับรู้และวิญญาณแปลว่าการรับรู้หรือว่าการรู้แจ้งบางคนก็จะแปลว่ารู้แจ้งบางคนก็แปลว่ารับรู้นะเพราะฉะนั้นวิญญาณที่มารับรู้ว่าก้อนเนื้อเนี่ยเป็นตัวฉันเนี่ยที่คุณมีบทบอกว่าเป็นปฏิสนธิวิญญาเนี่ยก็คือวิญญาณเดียวกันกับที่เราไปรับรู้เสียงผ่านทางหูรับรู้ผ่านทางตาเพราะมันคือการรับรู้เหมือนกันะนี่คือกิริยาที่เข้าไปทํางานตรงนี้ ทีนี้วิญญาณที่เป็นดวงดงที่ลอยไปลอยไปนี่คือคนไทยเอามาใช้ความหมายนี้แต่พระพุทธเจ้าจะไม่ได้ใช้ในความหมายนั้นค่ะโอเคแล้ววิญญาณเหล่านั้นเนี่ยถ้าจะเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าอย่างเช่นดิฉันได้กล่าวถึงวิญญาณของแม่หน้าเนี่ยนะคะควรจะใช้คําว่าอะไรคะใช่สัตว์โอ้แล้วค่ะพระพ้าใช้คําสัตว์เช่นว่าอ่าภาษาอังกฤษคือ being เนี่ยนะสัตว์เช่นสัตว์ที่เป็นอสุรกายสัตว์ที่เป็นมนุษย์สัตว์ที่เป็นเปรสสัตว์ที่เป็นเทวดาพวกนี้ก็เป็นสัตว์หมดเลยค่านคะถ้าอย่างนั้นสมมุติว่า ดิฉันเองขณะมีชีวิตอยู่ในภาษาของพระพุทธองค์ก็เรียกว่ า, ยยาเป็ น, นะะสัตว์ได้เองเข้าใจอย่างนั้นเป็นมนุษย์นะสัตว์ที่เป็นมนุษย์ค่ะเป็นสัตว์ที่เป็นมนุษย์สมมติพอดิฉันตายไปอ <ừ. S 2> นะคะก็มีคนที่เขาอาจมีความรู้เป็นพิเศษหรือเขาคิดว่าเขารู้อะไร <ừ. S 2> เงี้ยเขาก็บอกว่าเห็นวิ ญ, ญญาณของสรนสนีมีได้ไหมคะอย่างนี้อก็คือครูสันสีเนี่ยพอสมมุติว่าเสียเวลาใช่ไหมก็ต้องไปเกิดใช่ไหม เกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นสัตว์อยู่ในพบไหนก็ตามกรรมที่ทํามาถ้าเป็นสัตว์ที่ทํากรรมมาดีก็จะไปเป็นสัตว์ที่เป็นเทวดาเป็นเอชั้นอะไรก็ว่าไปเพราะงั้นการที่เขาเห็นก็คือเห็นคุณสัญนีที่เป็นกายนั้นเป็นสัตว์ประเภทนั้นไปออแต่ไม่ใช่สัญนีเดิมที่กายเผาไปแล้วแต่ยังเหลืออ่าวิญญาณที่ล่องลอยไปอะคํานี้ถ้าจะใช้ให้ถูกในความหมายของพระพุทธเจ้านะก็ควรใช้คําว่าสัตว์ที่อยู่ในพบต่างๆไปตามพบตามกรรมนั้น ค่ะอคขอบพระคุณมากค่ะกลับมาที่คําถามของคุณหมอพิมลต่อนะคะภพชาติคือการที่เรามาเกิดในภพมนุษย์หรือว่ามีภพชาติย่อยๆในชีวิตประจําวันค่ะโอเคเอาคำ ว, ว, ว, ว, ว่าพักว่าภพก่อนนะคําว่าภพเนี่ยคือหมายถึงสภาวะภาวะเนี่ยพระประธจ้าใช้คำว่าภาวะเนี่ยคือสภาวะในสภาวะใดสภาวะหนึ่งภาวะนะค ะ, ะค่ะและชาติเนี่ยคือหมายถึงการเกิด การที่เราจะมารู้สึกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นสภาวะใดสภาวะหนึ่งได้เนี่ยมันต้องไปยึดถือในสิ่งสิ่งนั้นซะก่อนอยกตัวอย่างเช่นว่าคนที่มีเงินอยู่ในกระเป๋ามากมีเงินอยู่ในกระเป๋ามากนะมีเงินอยู่ในธนาคารเป็นหลายสิบสล้านหรือร้อยล้านก็ตามแต่ยังมีความรู้สึกว่าไม่พอแหมมันมีโอกาสนต้องหาอีกต้องลงทุนนั้นอีกมันต้องได้เพิ่มอีกในลักษณะแบบนี้คือความที่เขาแบบมีความไปยึดถือในเงินที่เขายังไม่มี ในความที่เงินที่เขายัางไม่มีนะอิสพาวาสเนี่ยคือความจนคือความจนที่มีอยู่ในคนที่มีแม้แต่เงินอยู่มากๆในกระเป๋าแต่ว่ามันไม่ได้ไปคล่องหรือเอาใจไปใส่ตรงที่เงินที่มีนะเอาใจไปใส่เงินตรงที่มันยังไม่มีอันนี้คือความจนเป็นสภาวะขึ้นมาแต่ทำไมจิตใจเป็นไงก็เข้าไปคล่องอยู่ในนั้นไปไปจดจ่อ ย, อยตรงนั้นพอไปจดจ่อยตรงนั้นมันก็จึงมีความแห้งผาบเป็นรู้สึกว่าจนรู้สึกว่ามันไม่พอรู้สึกว่าต้องหาเพิ่มอีก ก็จึงมีปัญหาเรื่องของเกี่ยวกับชาติมีความทุกข์ที่ทุกคนจะไปแสวงหาอะไรต่างก็ว่าไปอันนี้คือภพและชาติ น, นี่คือหมายถึงว่าที่เกิดอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ว่าคุณต้องตายจากกายนี้ไปก่อนอยู่ในกายนี้แหละคแต่ต่อมาว่าหนึ่งปรากฏว่บบาคนคนนี้เขาไม่ได้ไปยึดถือตรงเงินที่เขาไม่มีละก็เปลี่ยนความเห็นใหม่ได้เปลี่ยนความเห็นใหม่ได้เออฉันก็มีเนี่ยเยอะแยะนี่นาเออฉันตรงนี้ใช้ในการให้การบริจาคได้ไอ้ความที่รู้สึกว่าแห้งผากเนี่ยมันก็จะไม่มี ที่ว่าฉันจะต้องไปหาอะไรที่มันไม่มีแต่มันมีอยู่มันเต็มอยู่แต่ลักษณะความตรงเนี้ก็จึงไม่ได้เป็นจึงเป็นภพอีกแบบหนึง่งขึ้นมาว่าเออฉั้นเป็นคนมั่งมีเป็นคนร่ํารวยค่ะ <Okay. S 1> ก็จะมีจิตใจเข้าไปคล้องอยู่ตรงนั้นใช่ไหมมันก็จะเป็นลนักษณะของความทุกข์ของคนร่ํารวยที่เขาจะมีคนไม่มีก็จะคนยากจนก็จะมีความทุกข์ของคนยากจนคนร่ํารวยก็จะมีความทุกข์ของคนร่ํารวยก็จะแยกกันใบนี้เป็นภพและเป็นชาติ <Okay. S 1> ที่ย่อยย่อยอยู่ในชีวิตประจําวันของเราค่ะ okay. คดังนั้นพบกับชาติเนี่ยคือการที่เรามาเกิดในภพมนุษย์หรือว่ามีภพชาติย่อยๆในชีวิตประจำวันคะก็แปลว่าให้ตอบอย่างนี้ก็ได้ใช่คะถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเาักำลังเข้าใจในส่วนตัวนะคะเข้าใจว่าภพเนี่ยไปยึดก็เป็นภพใช่ไหมคะมีอุปทานจึงมีภพใคะเหมือนกับว่า ถ้าถ้าเราถ้าเราเอาจิตของเราเอาไปคล้องอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่ง ม, มันจะมีการเกิดในสิ่งนั้นขึ้นมาทันทีถูกต้องการที่จะไปคล้องนี่คือเกิดแล้วค่ะท่านขันหนพุทธพจน์เนี่ยที่ทอ่ฉันก็ประทับใจแต่จาแม่นๆไม่ได้นะคะที่บอกว่าเมื่อจิตของเราเนี่ยน้อมนึกถึงสิ่งใดจิตก็ย่อมเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ย จิตของเราเนี่ยใช้เรื่องเดียวกันไหมคะถูกต้องตริตรึกในเรื่องใดๆมากจิตจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นค่ะดังนั้นถ้าหากว่าเราเราท่านๆ่านเนี่ยชอบคิดถึงเรื่องสมมติคนบางคนนะคะับคิดถึงแต่เรื่องไม่สบายใจตลอดเวลาเลยอ๋อจิตย่อมเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นอด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นย่อมน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นก็เท่ากับว่าเราไปยืดถูกไหมคะเกิดแล้วน้อมไปนี่คือเกิดตันทีนะคะอืม เนี่ยค่ะดี๋ยวคิดว่าตรงเนี้ยสําคัญมากเพราะบางทีเราคิดว่าเป็นคนเราเรื่องเราคิดว่าเรื่องพบเรื่องชาติเนี่ยบางคนคิดพบชาติต้องคิดว่าออ่พบนี้ฉันเกิดเป็นแมวพบหน้าฉันเกิดเป็นหนู้ส์สมุตินะคะเราจะคิดอย่างนั้ น, น, น, นแต่จริงๆแล้วอันนั้นก็ด้วยอันนั้นก็ด้วยจริงๆแล้วอันนี้ก็ด้วยทั้งสองอันนั้นแหละนะคะคือถ้าสมมุติว่าทันทีทันใดเลยไม่ต้องไปรอระยะเวลานานๆที่ว่าข้ามพบข้ามชาติใช้เวลานานเนี่ย ก็แค่เรานั่งอยู่เนี่ยใจเราไปนึกถึงแล้วก็ไปยืดใช่ไหมคะจิตน้อมนึกถึงสิ่งตรีอะไรนะั่นก็ได้อีกครั้งหนึ่งจิตของเราเนี่ยตรีตรึกไปในเรื่องใ ด, ดๆดมากจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเราไปตรีตรึกในเรื่องใดๆบ้างมากอือันเนี้ยเรามีพบเกิดขึ้นตรงน้นนตรงนั้นมันจะเป็นพบแล้วแล้วจิตน้อมไปนั่นแนะ่ะคือเกิดดาวค่ะอืนะคะคุณหมอพี่มนได้คําตอบไปอีกหนึ่งเรื่องต่อมา การตัดวงจรที่ชั้นใดชั้นหนึ่งก็ยังมีวงจรอื่นเกิดอีกจนกว่าจะตัดอวิชาใช่ไหมครัะตัวนี้อาจมาดีบางไปตั้งแต่ต่อหน้ากแล้วว่ามันไม่ใช่วงจรเพราะฉะนั้นเรา ค, คู่ในคู่หนึ่งที่เราเจออยู่ตรงนั้นเจอภาษาใช่ไหมตู้มเลยถ้าคุณละอวิชามีความรู้ว่าเอ้ยฉันไม่ต้องปรุงแต่งได้คือมันจบตรงนั้นถ้าคุณมีการเข้าไปยึดถือใช่ไหมตุ้มเลยถ้าคุณละอวิชาคือไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งนั้นมันก็พบชาติมันก็ไม่เกิดตรงนั้นดับไปตรงนั้นเอาทีละคู่ค อประเด็นตรงนี้คือเราต้องมีความฉลาดมีวิ ช, ชาเกิดขึ้นตรงนี้นั่นเองค่ะนะค ะ, ะเพราะว่าเรื่องของธรรมะที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นของปฏิจจสมุปบาทมีลักษณะเป็นธรรมเป็นคู่ใ่จึงต้องอ่าตัดวงจรทีละคู่ถูกไหมคะจึงต้องพิจารณาทีละคู่เอาที่เวลาที่มันจะเกิดขึ้ น, นมันไม่ได้เกิดเป็นสายไงคุณยมเตียวมันเกิดพูมพ่มปุ๊บเนี่ยเราเราอยู่ณนะจุดนั้นไง เราอยู่ในจุดนั้นเราไม่ได้ว่าจะพูดถึงอดีตรหรืออนาคตอะไรนะเอาจุดนั้นปุ๊บมันจะเป็นคู่เท่านั้นมันจะไม่สามเพื่อนพูดเป็นวงจรได้เลยค่ะค่ะท่านฟังคะอที่ท่านอาจารย์ไพบูรณ์กาลังพูดถึงการเป็นสายหรือไม่เป็นสายการไม่เป็นวงจรเนี่ยนะคะเพราะว่าอในบทของปฏิจจสมุปบาท น, นอกเหนือจากว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะการเกิดขึ้นสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมีการกล่าวถึงเพราะมีอวิชชา จึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารทั้งหลายจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีสลายยตนะเพราะมีสลายยตนะจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานจึงมีภพเพราะมีภพจึงมีชาติเพราะมีชาติชรามวณะโสกกะริเทวะทุกขโทมนัตอุบายาสาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนอ่าที่จำเป็นที่จะต้อง พูดทั้งหมดให้ใหท่านผู้ฟังฟังไหมคะท่าไปบุญรอด <Okay. S 2> เดียวบางคนมาไม่งงอะไรเป็นคู่ของท่านค่ะทีนี้มาถึงคําสุดอคําถามสุดท้ายกันท่านค่ะจะปล่อยวางละการปล่อยวางสัมพันธ์กับวงจรปฏิจจสมุปบาทหรือไม่อย่างไรคะตรงนี้แหละที่ว่าพอเรามีวิชาคือความรู้เกิดขึ้นว่าไอ้ฉันไม่ต้องไปปรุงแต่งตามอะไรก็ตามที่ฉันเห็นตอนนั้นฉันไม่ต้องไปปรุงแต่งก็ได้เนี่ยตรงนี้คุณจะวางได้วางตรงนี้แหละ นั่นก็คือว่างตั้งแต่ต้นทางเลยสิคะถูกต้องเรามีวิชาเกิดขึ้นเลยไงมีวิชาเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยไอ้ที่ว่ามันจะเกิดเป็นผัสสะไปให้เกิดเป็นเวทนาหรือมีนามรูปจึงไปมีสลายตระนัช่องทางอะไรต่างมันก็จะจะดับไปเลยเพราะฉะนั้นการปล่อยวางตรงเนี้ยถามว่าเราจะปล่อยวางอาศัยเหตปัจจัยอะไรมันต้องคลายกำหนัดจะคลายกำหนัดจะต้องอาศัยเหตปัจจัยอะไรจะต้องมีความหน่าย จะนายได้ต้องอาศัยปัจจัยอะไรต้องเห็นตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงจะต้องอาศัยปัจจัยอะไรต้องจิตเป็นสมาธินะเอาจิตจะเป็นสมาธิได้ยังไงคุณต้องจิตใจไม่ร้อนจิตใจสบายจิตใจคุณจะสบายได้ไงคุณต้องมีศีลมีศีลแล้วมีความไม่ร้อนใจมีใจสบายมีจิตเป็นสมาธิมีจิตเป็นสมาธิเห็นตามที่เป็นจริงได้จะมีความนายมีความนายแล้วจะมีความคลายกำหนัดมีความนายคลายกำหนัดแล้วจะมีความปล่อยวางได้แปล่อยวางที่มันจะเข้าไปยึดถือเป็นอีกคู่หนึ่งนี่แหละมันจะล้มเครื่องไปเลย นะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยตัดวงจรของความทุกข์ไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ฟังการตอบคําถามของทันตแพทย์หญิงพิมนเมทนาวินโดยพระมหาเพรบุญอภิปุณโววัดป่าดอนหายสงขบดรทามีหมดเวลาพอดีแล้วค่ะท่านคะกราบน้อมสักการขอบพระคุณนะคะน้องฟังค่ะจริงๆแล้วมีมุมที่จะให้คุยกันอีกเยอะนะคะในเรื่องของปฏิจจานี้แต่ว่ารายการของเราก็ยังมีมาอีกเช่นเดียวกันคะ่ะติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับการสนทนาระหว่างพระาชาและดิฉันจะมี ในวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์นะคะสำหรับสัปดาห์นี้ก็ต้องขอขอบคุณทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM ฟปร่อยด้วยนะคะที่ให้โอกาสได้มาคุยธรรมะให้นันฟังได้มีโอกาสเข้าถึงแล้วก็ปฏิบัติในที่สุดร่วมกันค่ะกราบนมัสการขอบพระคุณอีกครั้งแล้วก็สวัสดีทุกท่านไว้นะโอกาสนี้พบในสัปดาห์หน้าค่ะ